การุทายีเถระประธานประวัติในดิจชาของพระการุทายีเถระพระการุทายีเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าพระชินชาติพระนามว่าปทุมมตระผู้มีพระจักสุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนันบจากกลับนี้ไป พระชินเจ้าทรงเป็นศาสดาผู้ประเสริฐกว่าผู้นำเจ้าลัทธิทั้งหลายทรงรู้แจ้งสิ่งที่เป็นคุณและสิ่งที่เป็นโทษเป็นผู้กตัญญูกะตะเวทีทรงประกอบเหล่าสัตว์ไว้ในท่าทรงเป็นสัพพัญยูทรงมีอธิยาศัยเอ็นดูเป็นที่สังสมแห่งอนันตคุณทรงพิจารณาด้วยพระญาณ น, นั้นแล้วจึงทรงแสดงธรรมที่ประเสริฐบางครั้งพระชินเจ้านั้นผู้มีความเพียรมาก มีพระปัญญาบริสุทธิ์แสดงธรรมที่ประกอบด้วยสัจจะทั้งสี่อันไพเราะแก่มูชนเป็นอ น, นันต์ชัปะจัตประมาณหนึ่งแสนได้บรรลุธรรมเพราะได้สับธรรมที่ประเสรศิฐมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นครั้งนั้นแผ่นดินก็สันส่นสะเทือนและเมฆก็คำรนเหล่าเทวดาพรหมมนุษย์และสูนต่างก็แท่ซองสาธุการ โอพระศาสดาทรงประกอบด้วยพระกรุณาโอพระสัตวธรรมเทศนาโอพระชินเจ้าผู้ทรงช่วยหมูสัตว์ที่จมลงในสมดุลคือพบขึ้นมาได้เมื่อหมูสัตว์พร้อมทั้งมนุษย์เทวดาและพรหมเกิดความสังเวชเช่นนี้แล้วพระชินเจ้าได้ทรงสรรเสริญสาวกผู้เลิ ก, กว่ามพิกูจทั้งหลายฝ่ายทำตระกูลให้เลื่อมใสครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลอมาตในกรมหงสาวดี เป็นผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใสน่าชมมีทรัพย์และมีทัญญาหารเหลือล้นข้าพเจ้าเข้าไปยังวิหารหังสารามว่าพระตถาคตพ ร, ระองค์นั้นได้ฟังธรรมที่ไพเ ร, ราะและทมสักการะแด่พระองค์ผู้คงที่ข้าพเจ้าหมอบลงแทะพระยุ ค, คลบาทแล้วเดียกกราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมุนีภิกษุรูปใดในศาสนาของพระองค์ เป็นผู้เลิกกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายทำตระกูลให้เลื่อมใสข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์พึงเป็นเหมือนภิกษุรูปนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดด้วยเถิดครั้งนั้นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยพระมหากราุณาเมื่อจะใช้น้ำอมฤตรสเข้าพระเจ้าได้ตรัสต่อข้าพระเจ้าว่าลูกคลืนเถิดลูกเธอจะได้ตาแหน่งนี้สมความปรารถนา บุคคลทำสัการะในพระชินเจ้าแล้วจะพึงเป็นผู้ประสจาคมนได้อย่างไรเล่าในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกา ก, ากาก ร, ราศจากอุบัติขึ้นในโลกเขาจักมีนามว่ากาลุทายีเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทาเนรมิตรเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์ น, นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรงพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตด้วยวิปากกรรมนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้ภพนี้เป็นภพสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในตระกูลมหาอมาร ในกรงกบิลพัทที่น่ารื่นรมพระเจ้าสุโทโธทนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินครั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะผู้ทรงเป็นผู้องค์อาจกว่านรชนได้ประสูติแล้วที่ยสุ ล, ลุมพินีที่รื่นรมเพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่สัตว์โลกทั้งมวลเขาพระเจ้าก็เกิดในวันนั้นเติบโตพร้อมกับพระสิทธัตถราชกุมาร น, นั่นแหละเป็นสหายที่รักเอ็นดูคุ้นเคยและฉลาดในทางนิติธรรม พระจิตทัตตราชกุมารนั้นมีพระชนมายุ29พรรษาได้เสด็จออกพนวดวอมเพนเพียนตลอด6ปีจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษพระองค์ทรงชนะมารพร้อมทั้งไสนามารทรงข้ามห่วงน้ําคือพบได้แล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกเสด็จไปยังป่าอิสิปตนะทรงแนะนําปัญจวคีจากนั้น พระผู้มีพระภาคก็เสด็จไปในที่นั้นๆทรงแนะนำเวเนยสัตว์พระชินเจ้าพระองค์นั้นเมื่อจะทรงแนะนำเวเนยสัตว์เมื่อจะทรงสงเคราะห์หมู่มนุษย์พร้อมทั้งถวยเทพได้เสด็จไปถึงภูเขาในแคว้นมคตแล้วประทับอยู่ในการนั้นครั้งนั้นข้าพเจ้าถูกพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าสุโทธทนะทรงส่งไปแล้วได้เฝ้าพระทศพลบวชแล้วได้เป็นพระอรหรันต์ ครั้งนั้นข้าพเจ้าทูลอ้อนวอนพระศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้เสด็จไปกรุงกระบิ่ลพัดลำดับนั้นข้าพเจ้าได้ล่วงหน้าไปก่อนทำตระกูลใหญ่ๆ ใ, ให้เลื่อมใสแล้วพระชินเจ้าผู้องค์อาจกว่าบุรุษทรงพอพระทัยในคุณข้อนั้นแล้วกล่าวชมเชยข้าพเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษได้ทรงตั้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ทำตระกูลให้เลื่อมใส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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหกเขาพรเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระการุธายีเทระได้พาสุดพระทาเหล่านี้ด้วยประการชนิการุธายีเทระประทานที่หกจบเจอภัยยะเทระประทาน ประวัติในดิจชาติของพระอภัยะเถระพระอภัยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระจีนเจา้าพระนามว่าปทุมตระผู้ทรงถึงความสําเร็จในธรรมท่องปวงทรงเป็นผู้นําเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับี้ไปพระตถาคตทรงทําบุคคลบางพวกให้ตั้งอยู่ในชรณคมบางพวกให้ตั้งอยู่ในศีล คือครูสนละก ร, รมบทสิทธิ์ที่อุดมพระองค์ผู้ทรงเป็นนักปราศทรงประทานสารมรรพลที่อุดมแก่บุคคลบางคนทรงมอบสมาบัติ8และวิชาสามแก่บุคคลบางคนพระองค์ผู้ประเสริฐกว่านรชนทรงประกอบคนบางคนไว้ในอภิน ญ, ญาหกพระองค์ผู้เป็นนาถะทรงประทานปฏิสัมพิทาสี่แก่บุคคลบางคนพระองค์ผู้เป็นเสรถีฝึกนรชน ทรงเห็นหมู่สาธุควรแนะนำให้ตรัสรู้ได้แม้ในสถานที่นับโยบไม่ท่วนก็รีบเสด็จไปแนะนำครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นบุตรของพราหมณ์ในกรงหงสวดีเรียนจบพระเวททั้งหมดเข้าใจวยาก์ฉลาดในนิรุตติแกล้ากล้าในคำภีนิคันทุษะเข้าใจตัวบทรู้แจ่มแจ้งในคำภีเยตุพะฉลาดในฉันและกาบกรน เมื่อเที่ยวเดินพักผ่อนได้ถึงพระวิหารหังสารามเขาพระเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ล้ำเลิศประเสริฐที่สุดมีมหาชนห้อมล้อมเขาพระเจ้ามีความคิดเป็นข่าศึกเข้าไปใกล้พระองค์ผู้ปราศจากทุลีเพอร์กิเลตซึ่งกําลังทรงแสดงธรรมได้ฟังพระดํารัสซึ่งปราศจากมทณนของพระองค์เขาพระเจ้าไม่เห็นพระดํารัสที่กระทบที่กล่าวซ้ซําๆกันที่ผิดวยากรณ์ โดยที่ไร้ประโยคของพระมุนีพระองค์นั้นเลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงบวชโดยเวลาไม่นานนักข้าพเจ้าก็เป็นผู้กล้ากล้าในธรรมทุกอย่างได้รับยุกย่องให้เป็นคณะบดีในพระพุทธน์ที่ละเอียดอ่อนครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ประพันธ์คาถาสี่คาถาซึ่งมีพญัญชนะสละสลวยชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลิศในโลกทั้งสามแล้วแสดงทุกๆวันว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากความยินดีมีความเพียรมากทรงอยู่ในสังสารวัตรที่มีภัยไม่เสด็จดับขันธปรินิพานก็เพราะทรงประกอบด้วยพระกรุณาในหมู่สัตว์ฉะนั้นพระมุนีจึงชื่อว่าทรงประกอบด้วยพระกรุณาบุคคลผู้ใดถึงเป็นปุถุชนก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสประกอบด้วยสติมีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นจึงเป็นอจินไตย กิเลสที่มีกำลังอ่อนซึ่งนอนนิ่งอยู่ในสันดานของเราถูกเผาด้วยไฟคือยานแล้วไม่สิ้นไปข้อนั้นไม่เคยมีเลยผู้ใดเป็นที่เคารพของสัตว์โลกทั้งปวงซึ่งเป็นครูในโลกและเป็นอาจารย์ของชาวโลกโลกย่อมอนุวัตตามผู้นั้นข้าพเจ้าขอสดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคาถาเมียทิดังนี้แสดงทำตลอดชีวิต จุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ในกลับที่หนึ่งแสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้ากล่าวสดุดีพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการกล่าวสดุดีครั้งนั้นเขาพระเจ้าได้ครองราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่อันเป็นทิพย์ในเทวโลกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสวยราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่เป็นอันมากเขาพระเจ้าเกิดเฉพาะในสองภพ คือหนึ่งพบเทวดาสองพบมนุษย์คติอื่นข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการกล่าวสดุดดีข้าพเจ้าเกิดเฉพาะในสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกษัตรสองตระกูลพราหมุข้าพเจ้าไม่รู้จักตระกูลต่ำเลยนี้เป็นผลแห่งการกล่าวสดุดดีบัดนี้เป็นพบสุดท้ายข้าพเจ้ามีนามว่าอาภัยเป็นโอรสของพระเจ้าพินพิสาน ในกรุงราชครื่ที่อุดมสมบูรณ์เขาพระเจ้าตกอยู่ในอำนาจของป่าปมิตรถูกนิครนหน้าตบทให้ลุ่มหลงส่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเขาพระเจ้าทูลถามปัญหาที่ละเอียดสุขุมได้ฟังพยากรณ์ที่ประเสริฐจึงโบสไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลเขาพเจ้าได้รับยกย่องทุกเมื่อเพราะการสะดุดีพระชินเจ้าผู้ประเสริฐเป็นผู้มีร่างกายและปากมีกลิ่นหอม แต่เป็นผู้เพียรพร้อมด้วยความสุขเพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นเขาพระเจ้าจึงเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาแจ่มใสมีปัญญาว่องไวมีปัญญามากและมีปฏิพันธ์ที่วิจิตเข้าพระเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสกล่าวสดุดีพระสยามโูพระนามว่าปทุมุตระผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยผลแห่งกรรมนั้นเขาพระเจ้าจึงไม่ได้ไปบังเกิดในอบายภูมิตั้งหลายแสนกัป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 8. โลมัสติยาเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระโลมัสติยาเทระพระโลมัสติยาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในพัทรพกับนี้พระชินเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์มีพระยศยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโค์ประเสริฐกว่าเจ้าลทัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้นข้าพเจ้าและสหายชื่อจันทนะบนรรพชาในศาสนาแล้วได้บำเพ็ญกิจในศาสนาจนตลอดชีวิตข้าพเจ้าทั้งสองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตผมเทพบระบุ ท, ที่เหลือในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นด้วยการฟ้อนการขับร้องการประโคมและด้วยองค์สิทธ์มีรูปเป็นต้นอันเป็นทิพย์สวยความสุขเป็นอันมากอยู่จนตลอดอายุ จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นแล้วจันทะเทกบุตรได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนข้าพเจ้าได้เกิดเป็นโอรสของเจ้าสกยะในกรุงกบิลพัทในคราวที่พระศาสดาทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกซึ่งพระอุทายีเถระทูลเชิญเสด็จถึงกรุงกบิลพัทเพื่อทรงอนุเคราะห์เจ้าสกยะครั้งนั้นพวกเจ้าสกยะมีมานะจัดไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้า เป็นคนกระด้างพระชาติตรปูนไม่เอื้อเฟือไม่นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชินเจ้าทรงทราบความดำริของเจ้าศักยะเหล่านั้นจึงได้เสด็จจงกรมในอากาศเหมือนเมฆฝนตกลงและเหมือนเปลวไฟที่ลุกโรรงอยู่ทรงแสดงพระรูปที่ไม่มีที่เปรียบแล้วอันตรธานไปแม้พระองค์เดียวก็เนรมิตเป็นหลายองค์ได้แล้วกลับเป็นองค์เดียวเหมือนเดิม พระมุนีทรงแสดงความมืดและแสงสว่างทรงกระทำปฏิหารมากมายทรงปราบพวกพระยาจนหมดมานะขณะนั้นเองมหาเมฆที่ตั้งขึ้นในทวีปทั้งสี่ทาฝนให้ตกแล้วก็ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงเวสันดรชาดกครั้งนั้นกษัตริย์เหล่านั้นทุกพระองค์กำจัดความมัวเมาที่เกิดจากชาตรพูลได้แล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ ในครั้งนั้นพระเจ้าสุโธธนะได้ตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินทรงมีสมัญตะจักษุครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่หม่อมฉันถวายบงคมพระบาทของพระองค์ครั้งที่หนึ่งในคราวที่พระองค์ประสูติแผ่นดินไว้ครั้งที่สองในคราวที่เงาต้นว่าไม่ละพระองค์ครั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นพุทธานุภาพนั้นแล้ว เกิดอัศจรรย์ใจจึงได้บรรพชาเป็นผู้บูชามารดาได้อาศัยอยู่ในครุงพระเบลพัน์นั่นเองครั้งนั้นจันทเทพประบุได้เข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วถามถึงในทั้งโดยย่อและพิดารแห่งพัดเทกรตตสูตรครั้งนั้นข้าพเจ้าถูกจันทเทพประบตุตักเตือนแล้วจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของนรชนได้ฟังพัฒเกรตสูตร เป็นผู้สลดใจต้องการอยู่ป่าได้บอกลามานดาว่าจะอยู่ป่าจะเพียงผู้เดียวเมื่อถูกมานดาห้ามปรามว่าลูกเป็นคนละเอียดอ่อนเข้าพเจ้าก็ได้ตอบว่าเข้าพเจ้าจะใช้อบบทขยี้หญ้าคาหญ้าเหล่าหญ้าแฝกหญ้าปล้องและหญ้ามงกระตายให้แหลกละเอียดทั้งหมดพอกพูนวิเวกครั้งนั้นเข้าพเจ้าเข้าป่าจึงได้บรรลุอรหัตผล นึกถึงคาสอนของพระชินเจ้าเพราะเราลึกถึงคาสอนของพระจินเจ้าคือพัเ ต, รรตเทกระโตว่าดว่าบุคคลไม่ควรนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบัน ไม่งอนแงน่ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพียนกับมั จ, จุราชมีเสนานั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียกรคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน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 วิชาสามเขาพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระโรมัสติยะเถระ ได้พาสุคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนีรวมมัสติยะเทราประทานที่แปจบ9วณวัจชะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระวณวัจชะเทระพระวณวัจชะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในพัทระกับนี้พระชินเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพรามณ์ มีประโยชน์ยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสสะตามพระโคดประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์นจนตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้วด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้เพเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง สุติจากสวรรค์ชั้นดาวเดึงนั้นแล้วได้เกิดเป็นนกพิราบอยู่ในป่าในป่านั้นมีภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยคุณยินดีในฌานทุกเมื่ออาศัยอยู่ท่านเป็นผู้มีจิตเมตตาประกอบด้วยกรุณามีหน้าอิ่มเอิบทุกเมื่อมีจิตวางเฉยมีความเพียรมากฉลาดในอัปปมัญญามีความดำรจปราศจากนิวรณ์มีอัธยาศัยมุ่งประโยชน์แก่สรรพสัตว์โดยไม่นาน ข้าพเจ้าก็มีความคุ้นเคยในสาวกของพระสุคตองค์นั้นเมื่อข้าพเจ้าไปเกาะอยู่แทบเท้าของท่านผู้นั่งอยู่ในอาสมในครั้งนั้นบางครั้งท่านก็ให้อาหารบางครั้งท่านก็แสดงธรรมครั้งนั้นข้าพเจ้าก็ไปหาท่านผู้เป็นโอรสของพระชินเจ้าด้วยความรักอันไพบูนจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ปรากฏในสวรรค์ประหนึ่งจากที่อยู่ แล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนฉะนั้นเาพเจ้าจุติจากสวรรค์แล้วบังเกิดในหมู่มนุษย์ด้วยบุญกรรมได้สละเรือนออกบวชโ ด, ดยมากเาพเจ้าเป็นสมณะดาบทพรามปริพาชกอยู่ในป่ามานานหลายร้อยชาติบัดนี้เป็นภพสุดท้ายเาพเจ้ายังลงสู่คันแห่งพัญญาของพรามวัชโคตในกรุงกบิลพั์ที่น่ารื่นรมเมื่อเทพเจ้ายังอยู่ในคัน มารดาของข้าพเจ้าแพ้ท้องในเวลาที่ข้าพเจ้าใกล้คลอดท่านตัดสินใจที่จะอยู่ป่าจากนั้นมารดาของข้าพเจ้าได้คลอดข้าพเจ้าที่ชายป่าที่น่ารื่นรมเมื่อข้าพเจ้าคลอดจากคันมารดาชนทั้งหลายใช้ผ้ากาสายะรองรับไว้ขณะนั้นพระสิทธัตถราชกุมารผู้เป็นดังธงชัยของสักยะวงศ์ก็ทรงประสูดข้าพเจ้าเป็นสหายรัก สนิทที่ชอบกันของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงละยศที่ไพยบูรณ์เสด็จออกมหาพิเนสกรมโดยมู่สาระประโยชน์แกมูสัตแม้ข้าพเจ้าก็ออกโบวชแล้วเข้าไปยังป่าหิมพานข้าพเจ้าพบพระกัสสปะผู้อยู่ป่าผู้ควรสรรเสริญผู้บอกกล่าวเรื่องทุดงก็ได้ฟังข่าวว่าพระชินเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว จึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสารถีฝึกนรชนพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมประกาศประโยชน์ทุกประการแก่ข้าพเจ้าจากนั้นข้าพเจ้าบวชแล้วเข้าไปยังป่าตามเดิมเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในป่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทก็ได้สําเร็จอภิญญาหกโอ้เราผู้ที่พระาศาสดาผู้ทรงเป็นกัลยาณมิตรทรงอนุเคราะห์แล้วเป็นผู้มีลาภที่ได้ดีแล้วหนอ กิเลสทั้งหลายเข้าพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าพเจ้าตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอานิสะส์ดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่เข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามเข้าพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าเขาได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าาได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระวณวัชชาเทระได้ภาศิษคถาเหล่านี้ด้วยประกาฬชนิ วณวันนวชเทราประธานเที่เก้าจบสิจูลสุคันธเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระจูลสุคันธเทระพระจูลสุคันธเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในพัทรักัพนี้พระชินเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ของพราหมณ์มีพระยศยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโค์ ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์สมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะมีพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสองประการมีพระรัศมีล้อมรอบข้างละว่าทรงประกอบเ้วือข่ายรัศมีทรงทรหมูสัตว์ให้ยินดีได้เหมือนดวงจันทร์เปล่งพระรัศมีเหมือนดวงอาทิตย์ทาหมูสัตว์ให้เยือกเย็นได้เหมือนเมฆฝนเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณเหมือนทะเล เป็นบอกเกลืแห่งรัตนะพระองค์เปรียบดังแผ่นดินโดยศีลเปรียบดังภูเขาหิมพานโดยสมาธิเปรียบดังอากาศโดยปัญญาเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรๆเหมือนสายลมครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลใหญ่ที่มีทรัพย์และทัญญาหารมากมายเป็นที่สั่งสมรัตนะต่างๆในกรงภารณสีข้าพเจ้าเด้อดเข้าเฝ้าพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ซึ่งประทับนั่งอยู่กับบริวารจำนวนมากได้ฟังอมตะธรรมที่นำมาซึ่งความยินดีแห่งจิตพระพุทธองค์ทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการเหมือนดวงจันทร์ซึ่งเป็นนั ก, กษัตริย์ที่งามทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยันชนะเหมือนต้นพยาไม้สาละมีดอกบานสะพรัง่งมีข่ายคือพระรัศมีแวดล้อมเหมือนสุวรรณบัณฑ์มีรัศมีรุ่งเรือง มีพระรัศมีล้อมรอบด้านลวาเหมือนดวงอาทิตย์มีรัศมีเป็นร้อยมีพระพักเหมือนทองคําเป็นพระชินเจา้าผู้ประเสริฐเป็นดังขุนเขาที่ให้เกิดความยินดีมีพระไทยเต็มด้วยพระกรุณามีพระคุณดุษสาครนมีพระเกียรติปรากฏแก่ชาวโลกเหมือนภูเขาสิเนรุซึ่งเป็นขุนเขาสูงสุดมีพระยศแผ่ไปเป็นนักปราช เป็นผู้มีความรู้ดังอากาศมีพระหฤทัยไม่เกี่ยวข้องในที่ทั้งปวงเหมือนสายลมทรงเป็นผู้นําทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ดังแผ่นดินทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐไม่ถูกโรคธรรมแปดเปื้อนเหมือนดอกบัวไม่เปื้อนด้วยน้ําประทับอยู่ดังกองไฟที่เผาเสี่ยนต่อคือวาทะชั่วพระองค์ทรงเป็นเหมือนยาบําบัดโรคในที่ทั้งปวงทรงทำลายยาพิษ เือคิเลให้พินาศทรงประดับด้วยสุขวัฒชาติคือคุณเหมือนยอดเขาคันธมาศทรงเป็นนักปา่าซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณดังทะเลเป็นบ่อกเกลือแห่งรัตนะและทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่านรชนดังม้าสินทพชาติอาชาในทรงกําจัดมนทินเพื่อคิเลทรงย่ำยีมารและเสนามารได้เหมือนขุนพลผู้มีชัยโดยพิเศษ ทรงเป็นใหญ่เพราะรัตนะคือพ่ชองเจ็ดเหมือนพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทรงเป็นใหญ่เพราะรัตนะเจ็ดประการฉะนั้นทรงเป็นผู้เยียวยาพยาธิคือโทษะเหมือนหมอใหญ่รักษาไข้ทรงผ่าฝีคือทิฐิเหมือนสัลยแพทย์ผู้ประเสรศิฐครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงส่องโลกให้สว่างอันมนุษย์และเทวดาสักระแล้วเป็นดังดวงตะวันส่งแสงสว่างให้แก่นรชน ทรงแสดงธรรมในถ้ำกลางบริษัทพระองค์ทรงพร่ำสอนอย่างนี้ว่าบุคคลจะเป็นผู้มีพวกสมบัติมากได้ก็เพราะการถวายทานจะเข้าถึงสุคติได้ก็เพราะศีลจะดับกิเลสได้ก็เพราะการเจริญภาวนาบริษัททั้งหลายทั้งปวงฟังเทศนานั้นที่มีความเบาใจมากซึ่งไพเราะทั้งเบื้องต้น่้ำกลางและที่สุดมีรถเลิศประหนึ่งน้าอมฤต ข้าพเจ้าเรียกฟังพระธรรมที่ไพเราะยิ่งว่าเกิดความเลื่อมใสในศาสนาของพระชินเจ้าจึงถึงพระสุคตเป็นที่พึ่งนอบน้อมบูชาจนตลอดชีวิตครั้งนั้นข้าพเจ้านั้นได้ใช้คันธชาสี่ชนิดทาพื้นพระคันทกุดีของพระมุนีเดือนละ8วันโดยตั้งปณิธานให้สุริระที่ปราศจากกลิ่นหอมให้มีกลิ่นหอมครั้งนั้นพระชินเจ้าได้ตรัสยากรข้าพเจ้า ผู้ต้องการเดยกายมีกลิ่นหอมว่านรชนใดใช้ของหอมทาพื้นพระคันธคุดีคราวเดียวด้วยผลของกรรมนั้นนรชนนั้นเกิดในภพใดภพหนึ่งนรชนนี้จกเป็นผู้มีกลิ่นกายหอมไปทุกๆชาติจกเป็นผู้ประกอบด้วยกลิ่นคือคุณไม่มีอาสวะแล้วนิพพานด้วยกรรมที่พระพเจ้าได้ทาไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้เป็นภพสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในคันมานดามานดาเป็นหญิงมีกายมีกลิ่นหอมในเวลาที่ข้าพเจ้าคลอจากคันมานดานั้นกรุงสาวถีหอมฟุ้งเหมือนอบด้วยกกลิ่นหอมทุกอย่างขณะนั้นฝนดอกไม้ที่หอมหวนกลิ่นทิพย์ที่น่ารื่นรมย์ใจ และทูปมีค่ามากก็หอมฟุ้งไปเขาพระเจ้าเกิดในเรือนหลังใดเรือนหลังนั้นเทวดาใช้ทูปและดอกไม้ล้วนแต่มีกลิ่นหอมและเครื่องหอมมาอบในเวลาที่เขาพระเจ้ายังเยาว์และเจริญวัยดำรงอยู่ในผทมวัยพระาศาสดาผู้เป็นเสราีฝึกนรชนทรงแนะนำบริษัทของพระองค์ที่เหลือแล้วมีสาวกเหล่านั้นทั้งหมดแวดล้อมเสด็จมาถึงกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นข้าพเจ้าที่เห็นพุทธานุภาพนั้นแล้วจึงออกโบสถ์ข้าพเจ้าเจริญธรรมสีประการคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมแล้วบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะในคราวที่ข้าพเจ้าออกโบสถ์ในคราวที่ข้าพเจ้าเป็นพระอรหันต์และในคราวที่ข้าพเจ้าจับปรินิพานได้มีฝนซึ่งมีกลิ่นหอมตกลงมาก็กลิ่นกายที่ประเสริฐสุดของข้าพเจ้า รอบงามจันทร์ดอกจำปาและดอกอุบลซึ่งมีค่ามากได้และข้าพเจ้าไปในที่ใดๆก็จะส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วเนื้อกลิ่นหอมนอกนี้ได้กิเลทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผ า, าได้แล้วพบทั้งป่งข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดูดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าท่านพระจูฬสุขันธเถระได้ภาเศษคาถานเหล่านี้ด้วยประการาชนิจูฬสุคันธเถราประธานที่สิบจบพัทธิยวัคที่ห้าสิบห้าจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวรักษ์นี้คือหนึ่งลกุนตกะพัทธิยเถราประธานสองกังขาเรวตะเถราประธาน 3. สศีวลีเถราประธาน สวังคีสะเถราประธานหนันทกะเถราประธาน 6. กาลุทายีเถราประธานเจอภยะเถราประธาน 8. โลมัสติยะเถราประธา น, นาเกวรรณวัชเถราประธานสิจูลสุคันธเถราประธานในวัคนี้บัณฑิตนับคถาได้สามร้อสหกคถา รวมวักหนึ่งกรนการะวักสองพละทายกะวักส 3. ตินาทายกะวัคส 4. กัจจายณวัคห้พัิยะวักบัณฑิตนับคาถาไว้แผนกหนึ่งรวมได้เก้าร้อยแปดสิบสี่คาถาและประกาศอาปทานรวมได้ห้าร้อยห้าสหกอปทานพร้อมทั้งอุทานกคาถามีคถ า, ารวม 6กพันสองร้อยสิบแปดคาถา